เช้วนี้ก็เราทำวัดเนาะที่พระาธาตุกองมูใต้เนาะบ้านแม่สุดินที่บ้านแม่สุรินนะก็มีมีพระาธาตุสมัยโบราณ น, นะอยู่ห้าแห่งอยู่ตรงในหมู่บ้านแห่งหนึ่งแล้วก็รับดอบหมู่บ้านอีกสี่ทิศ เป็นห้าแห่งที่นี่ก็เป็นทางทิศใต้นะก็หล่มพ่อท่านก็บูรณะให้เป็นสถานที่ปีกวิเวก ส, สำหรับผู้ที่อยากมาปฏิบัติธรรมนะมก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะที่ที่เราได้มาปฏิบัติธรรมแล้วก็มาค้างคืนที่นี่นะ เราได้อยู่ในที่ที่สงบสงัดเนาะแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็จะช่วยให้เรามีสมาธินะ่ะได้เยอะขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าใจไม่ฟุ้งซ่านไม่มีเรื่องราวมากวนใจมาทําให้เกิดความวุ่นวายใจเนาะจิตก็ดวมเป็นสมาธิได้ง่ายนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อถูก เมื่อถูกสิ่งกระทบน้อยนะจิตก็ไม่หวั่นไหวคล้ายๆเหมือนกับน้ำที่มันนิ่งๆนะไม่ถูกใครมากวนนะให้ขุนหรือว่าให้กระเพื่อมนะน้ำมันก็นิ่งนะเมื่อน้ำมันนิ่งนะตะกอนที่มันอยู่ในน้ามันก็ตกลงไปนะกลายเป็นน้ำที่ใสนะมองเห็นสิ่งที่อยู่ ในน้ำหรือว่าอยู่ใต้น้ำได้ได้ชัดเจนขึ้นจิตก็เหมือนกันเนาะจิตที่มันนิ่งนะนะมันก็จะใสมันก็จะเห็นอะไรที่มันกระเพื่อมหรือวันไหวหรืออยู่ภายในได้ได้ชัดเจนขึ้นอันนี้คือจิตที่มันนิ่งเนาะบางทีก็อาจจะเพราะความสงบนิ่งของธรรมชาติ รอบตัวเป็นตัวสร้างบรรยากาศให้จิตมันนิ่งนะเพื่อให้เห็นนะเห็นสภาวะข้างในได้ชัดขึ้นแต่บางขณะถ้าเราสามารถมีสติมีสมาธินะแม้ด่างกายเราเคลื่อนไหวแม้ท่ามกลางการเดินทางที่ไม่ได้หยุดอยู่กับที่หรือแม้แต่มีรถดาวิ่ง หรือมีผู้คนมาเกี่ยวข้องแต่ถ้าจิตเรานิ่งนะมีสมาธิแล้วก็มีสติคอยรู้ทันการไหวไปภายในใจเนะี่ยก็ถือว่าทำได้เหมือนกันนะอย่างถ้าเราเดินนะแล้วเรากาหนดจิตเราอยู่กับการเดินนะหรือว่ากาหนดกับลมหายใจเป็นบางขณะบ้างนะ จิตเราจะนิ่งได้เร็วขึ้นนะมันจะไม่วล็อกแวกไม่สอดสายไปที่อื่นหรือมันก็ไม่เชื่อว่าไม่วล็อกแวกสอดสายหรอกแต่มันจะไปนะแต่ไปสั้นๆไปช่วขณะนะจิตพอมันมั่นคงนะมันจะเห็นความไหวไปไในใจได้ได้เร็วมากนะมันไหลไปนิดนึงนยะกลับมาละไดไปนิดนึงกลับมาลนะ บางทีมันก็รู้การเคลื่อนไหวของร่างกายแต่มันก็จะรู้เป็นแบบไม่ได้ไปกําหนดมากนะรู้เป็นเพียงแค่แบบกําหนดเป็นแบบเป็นเป็นเครื่องอยู่แบบคร่าวๆนะอย่างเราเดินนะเราเดินเร็วๆสักหน่อยเนะี่ยเราอย่าไปกำหนดรู้ให้มันชัดไม่ต้องไปกําหนดรู้ที่การกระทบที่เท้าอะไรนะรู้การไหวรู้การไหวไปเรื่อยๆนะ รู้การไหวของการเคลื่อนของร่างกายแบบรวมๆนะดูแบบรวมๆไปสบายๆนะใจเราจะเป็นสมาธิได้ได้เร็วขึ้นนะหรือบางขณะมันก็จะเห็นเองลมหายใจเข้าลมหายใจออกบางขณะมันก็เห็นนะถ้าเมื่อไหร่ที่ลมหายใจค่อนข้างละเอียดนะค่อนข้างละเอียดเข้ามานะสมาธิมันก็จะเข้ามาละ เนการเคลื่อนของกายก็จะก็มันก็จะค่อยๆประมาณว่าสม่ําเสม อ, อะการเดินก็จะจะสม่ําเสมอไม่ว่าเราจะเดินเร็วหรือว่าจะเดินช้านิดนึงอะไรก็แล้วแต่แต่ละคนแต่มันจะเป็นจังหวะที่สม่ําเสมอนการเคลื่อนของกายสม่ําเสมอการหายใจก็สม่ําเสมอน ลมหายใจก็ละเอียดขึ้นนะใจมันก็จะนิ่งขึ้นใจเมื่อนิ่งขึ้นคราวนี้มันก็ดูกายแบบเผลอๆดูกายแบบเหมือนคร่าวๆแต่ใจมันจะกลับมาดูใจนะจะกลับมาดูใจเวลามันเผลอไปคิดเผลอไปออกนอกนะมันก็จะเห็นได้เร็วมาก ถ้าเราเดินแบบนี้นะเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงภายในจิตภายในใจเยอะมากเลยนะแต่ก็ไม่ต้องไปไปวิพากษ์วิจาร์ไปสงสัยอะไรทำไมถึงเป็นแบบนี้หรือว่าไปปรุงแต่งหรือว่าไปดีใจไปไม่พอใจเนาะบางทีตอนรู้ทันอาจจะเผลอไปดีใจ บางทีตอนหลงไปนานอาจจะเผลอไปไม่พอใจนะตอนคิดไม่ดีเผลอไปไม่ชอบไปกดข่มนะนะมีสมาธิดีอาจจะเผลอไปพอใจอยู่นะี่ให้เรารู้ทันพวกนั้นด้วยนะรู้ทันว่าความเผลอมันก็เป็นธรรมชาตนะิมันก็เป็นเพียงแค่อาการไม่ว่าจะคิดดีไม่ว่าจะคิดไม่ดีมันก็เป็นเพียงแค่อาการ แล้วก็เพียงแค่รู้มันเฉยๆรู้ว่ามันเกิดขึ้นน่ะถ้ารู้เฉยๆนะมันจะมันก็จะกลับมาของมันเองกลับมากลับมาแล้วก็ใช่ว่ามันจะอยู่ตลอดกลับมาแล้วมันก็ออกไปอีกหละน่ะออกไปก็ไม่เป็นไรน่ะแล้วก็รู้ทันแล้วก็มันก็จะกลับมาของมันเองจิตมันเหมือนกับเด็ก นะมือนกับเด็กเล็กๆกันนะจะให้อยู่นิ่งๆเชยๆเนี่ยก็เป็นไปได้ยากนะนอกจากตอนที่เขาดับนะเด็กเขาก็เดี๋ยวก็คานเดี๋ยวก็เล่นนั่นเล่นนี่เนาะอันนี้คือธรรมชาติของเด็กมันก็เป็นแบบนั้นนะมันก็ไปของมันเรื่อยที่จริงจิตจิตของคนเราก็เป็นแบบนั้นนะมันก็ไปเรื่อยแหละแต่ถ้าใครไม่เคยฝึกภาวนาเนี่ย มันก็จะโดนจิตเขาากไปเรื่อยนะนะลากไปสุกรากไปทุก์รากไปปรุงแต่งนะเคยสังเกตไหมบางทีแบบตาเห็นรูปสักอย่างหนึ่งเนะี่ยอ่มันคิดถึงอะไรสักอย่างหนึ่งนะมันก็ไปต่อเรื่องราวนยะเช่นสมมติเห็นเห็นสิ่งนี้อ่ะคิดถึงคนนั้นนยะคิดถึงคนนั้นอาะคนนั้นเกี่ยวข้องกับคนที่สององีก คนที่สองเกี่ยวข้องกับคนที่สามต่ออีกคนที่สี่อีกนนะมันปรุงไปต่อไปเรื่อยนะนะถ้าเราไม่รู้ทันเนี่ยมันจะปรุงไปยาวนะคนส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยรู้ทันหรอกก็จะปรุงยาวไปเรื่อยนะเดินไปก็คิดไปกินไปก็คิดไปนทําอะไรก็อยู่กับความคิดนะแต่ถ้าเรามีสตินะเราจะเดินอยู่กับตัวเองนะ ไม่กังวลถึงคนอื่นนะอยู่กับจังหวะของการเดินของเราเองนะอย่าไปนะอย่าไปเดินตามใครอย่าไปเดินรอใครนะให้เดินอยู่กับตัวเราเองตามจังหวะที่เราเดินนะนะเราจะรอก็ต่อเมื่อมันถึงที่ที่หยุดพักนะรอกันแบบนั้นนะรเราจะเดินนำก็ไม่ใชนะ่เดินแบบไม่ให้เพื่อนเห็นผุ่นนะ แต่เราก็เดินตามจังหวะที่คิดว่าเนี่ยมันไม่ไม่หนีกันเกินไปอะไรแบบนี้เนะถ้าเดินแบบเนี้ยเรียกว่าก็เดินตามจังหวะของเรานี่ยแหละนะแต่ก็มีระยะที่อยู่กับเพื่อนด้วยนแต่เราจะกําหนดที่ที่การเดินอยู่กับตัวเราเองนะอย่าเอาจิตของเราไปอยู่กับคนอื่นนะอย่าเอาจิตของเราไปคล่องแวะกับ สิ่งรอบตัวหรืออดีตหรืออนาคตอะไรต่างๆให้จิตอยู่กับปัจจุบันจิตรู้ถึงการเคลื่อนจิตรู้ถึงใจที่เคลื่อนแค่นี้นะมันก็จะมีสติไปเรื่อยๆนะอันนี้คือประโยชน์จริงๆของการการเดินธุ ด, ดงน ะ, นะการเดินเป็นเพียงแค่รูปแบบนะ แต่จริงเดินอย่างไรให้เรามีสติเดินอย่างไรให้เรารู้ตัวนั่นแหละคือความหมายที่แท้จริงของการทุดงนะหรือการภาวนาเนาะเพราะที่จริงก็คือภาวนาเพื่อให้เห็นเห็นกายเห็นใจนะมันทำงานไปตามธรรมชาติของมันนะเราเห็นธรรมชาติของมันนะเราก็จะเข้าใจธรรมชาติของมันนะเมื่อเห็น ตามธรรมชาติเข้าใจตามธรรมชาติแล้วมันก็จะไม่หลงนะส่วนใหญ่หลงก็คือหลงไปชอบหลงไปไม่ชอบนะหลงไปยึดหลงไปจัดการหลงไปปรุงแต่งนะหลงไปวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์หลงไปสงสัยนะหลงไปมันมีหลายอย่างมากถ้าหลงเนี่ยมันแยกแยะไปได้เยอะนะ แต่จริงถ้าเราแค่สรุปว่าเออมันหลงหลงไปจากอะไรหลงไปจากการที่จิตมันอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยเรียกว่าหลงอะนะคือจิตมันเคลื่อนออกไปนะไม่ว่าจะเคลื่อนออกไปไป อ, อไปดูไปฟังไปดมไปคิดอะไรน ะ, น ะ, นะคือการเคลื่อนออกไปลนะ แต่ถ้ามันรับรู้โดยปกติธรรมชาตินะเห็นอ่าเห็นก็ส่วนหนึ่งนะแต่เห็นแล้วถ้าใจเราไหลไปกับสิ่งที่เห็นนะนี่คือการเคลื่อนนะะเห็นเรารู้แล้วว่าเห็นอะไรนะแต่บางทีก็ไม่ต้องปรุงแต่งก็ได้ถ้ามันไม่สําคัญมั่นหมายเอเห็นรถก็ไม่ต้องไปสงสัยว่ารถอะไรแบเนี้เห็นต้นไม้ก็ไม่ต้องสงสัยว่าต้นไม้อะไรแบบนี้ ไม่ต้องไปจำแนกแยกแยะอะไรนะเพราะถ้าเรากำหนดอยู่ที่การเดินเป็นหลักอยู่ที่การรู้ทันกายรู้ทันใจเป็นหลักนะเนี่ยไอ้พวกนี้คือถ้าเราไปรู้นอกตัวเนี่ยคือการปรุงแต่งทั้งนั้นนะนอกจา ก, จากบางครั้ง เ, เราเราต้องคิดเพื่อเอามาใช้อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึง่ง เ, เช่นจำเป็นต้องไปหาสมุนไพรมารักษาโรคนะ มาอะไรต่างๆอันนั้นแบบนั้นก็ต้องคิดก็ต้องแยกแยะนะอันนั้นก็เป็นการที่เราไปใช้แต่ถ้าเราไปใช้พัําเพื่อนะบางทีมันก็จะเป็นการแบบมันก็จะเป็นการติดนะติดนะติดคืออะไรติดสมมุตินะสมมุติในโลกเนี่ยมันมีเยอะมากนะที่เป็นชื่อนะเป็นบุคคลเป็นวัตถุต่างๆเนี่ย มันก็คือสิ่งที่โลกเนี่ยมันสมมติขึ้นมานะสิ่งที่สมมติขึ้นมาก็ตั้งแต่เราเด็กจนกทั่งถึงอายุขนาดนี้หละคือเราก็ดูเรื่องสมมติไปซะเยอะมากมายนะนะภาษาก็สมมติวิชาต่างๆที่เรียนมาก็สมมตินะความรู้ต่างๆที่เรียนมาก็คือสมมตนะิสมมติก็เกิดประโยชน์นะนะ แต่ถ้าเราไม่รู้ทันมันก็เกิดโทษเหมือนกันนะนเราก็ต้องรู้เท่าทันบางทีสมมุติที่มันเกิดขึ้นมาในใจเนะนี่ยบางทีมันจะเกิดการปรุงแต่งเกิดการชอบเกิดการพอใจไม่พอใจเกิดการคิดต่างๆเยอะแยะมากมายาเราลองฝึกภาวนาแบบวางสมมตินะที่หลวงพ่อท่านสอนน่ะรู้ซื่อๆใช่ไเนะ่ะ ซื่อๆก็คือดูแล้วไม่ไปอะไรกับมันต่อนะก็แค่รู้เฉยๆนี่แหละมันง่ายนะแต่แต่ความหลงเนี่ยมันทำให้มันไม่ซื่อเนะี่ยถ้าเราเข้าใจคำว่ารู้ซื่อๆจริงๆเนี่ยมันไม่ยากเลยการภาวนานะก็แค่รู้เฉยๆเนี่ยไม่ต้องไปอะไรกับมันต่อเนี่ยมันง่ายที่สุดเลยนะ แต่ขอให้เรามีสติรู้ตัวเราจะจิตมันจะซื่อจริงๆซื่อก็อแค่รู้ไม่ไปอะไรกับมันต่อหรือถ้าไปแล้วอก็สติเกิดขึ้นอ่มันก็กลับมาไม่ต้องไปเอะ อ, อะไรกับมันต่อเนี่ยมันซื่อง่ายๆนะไม่ต้องใช้ความคิดไม่ต้องใช้เหตุผลไม่ต้องใช้อะไรเลยนะใช้เพียงแค่การรู้นะ รู้ให้ทันรู้ให้เร็วนะนะไม่ต้องไปแยกแยะดีไม่ดีนะอะไรต่างๆน่ะเนี่ยรู้ซื่อไปเรื่อยน่ะไม่ว่าจะเป็นร่างกายที่เกิดขึ้นเราก็รู้อย่างที่เขาเป็นนะนะถ้าเรารู้อย่างที่เขาเป็นแล้วก็ปรับเปลี่ยนร่างกายให้เป็นตามที่มันพอจะทำให้ร่างกายมันสบายได้นั้นก็ปรับเปลี่ยนนะใช้สติปัญญา แต่เรื่องของใจเนี่ยนะแค่การรู้เฉยเฉยเนี่ยพอใจมันไหลออกไปเนี่ยมันจะกลับมาใจไหลกลับไปมันจะกลับมาเองมันจะเห็นว่าใจมันไหลออกไปเร็วมากนะความนิ่งของใจเนี่ยไม่ใช่ว่าใจจะไม่ไหลนะแต่คล้ายๆมันเหมือนมันกลับมาได้เร็วนะมันกลับมาได้เร็วนะมันจะเผลอไปก็กลับมาเผลอไปก็กลับมาได้เร็วมากอันนี้คือ ใจที่มีสมาธินะที่ประกอบด้วยสตินะแต่ถ้าสมาธิมันมากไปเยบางทีมันจะนิ่งนิ่งแบบไม่รู้นิ่งแบบอยากจะสงบนิ่งแบบติดความสุขความสบายเนะี่ยถ้าสมาธิแบบนั้นไม่ค่อยเกิดปัญญาเนาะเพราะว่ามันจะมันสบายมันก็สบายกับความขี้เกียจขี้ค้านะมันมันใกล้เคียงกันนะนี สบายแล้วไม่อยากรู้น ะ, ส, ะสบายแบบอยากพักนะเหมือนเราเดินเหนื่อยๆเนาะโอ้นั่งพักสบายไม่อยากรุกอนะอันนี้คือเปรียบเทียบแบบคร่าๆวๆเฉยๆนะบันทีจิตมันสบายมันได้พักนะไม่อยากรู้อะไรไม่อยากรับรู้ไม่อยากรู้อะไรนะแต่ถ้าเรามีสมาธิคือใจที่ตั้งมั่นแล้วก็สงบนะแล้วก็มีสติรู้ทันเวลา ไหลไปเวลามันเผลอไปเวลามันเคลื่อนออกไปเนี่ยมันไม่เหนื่อยนะมันก็รู้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็สนุกดีสนุกในการเห็นเห็นใจที่มันไหลเห็นใจที่มันปรุงแต่ใจนั้นไม่ใช่เราจริงๆนะมันเป็นเพียงแค่อาการที่มันห้ามไม่ได้ไม่ได้อยากจะปรุงนะมันก็ปรุงของมันเอง ไม่ได้อยากจะคิดมันก็คิดของมันเองนะมันเป็นไปนตามความเคยชินนะนะมันจะเห็นว่าโอ้หลงมาเยอะแล้วเนาะเราเนี่ยนะเราเคยปรุงแบบนี้เราเลยเคยคิดแบบนี้เราเคยวิภาควิจารณ์แบบนี้นะไอ้ที่เคยเป็นจดิตนิสัยเก่าๆเนี่ยมันผุดขึ้นมานะจิตเก่าๆเนี่ยที่มันเคยชินเนี่ยมันผุดขึ้นมานะ กว่าจะมารู้ถอนกว่าจะมารู้ทันเนี่ยโอ้มันก็ต้องอาศัยใช้เวลาสักหน่อยนะแต่ค่อยค่อยค่อยรู้ค่อยคยดูไปเนะี่ยมันจะเกิดการแบบเท่าทันแล้วก็ดักมันได้เนะดักไม่ใช่ว่าไปดักดูนะนะแต่คล้ายๆว่าโอ้จะเห็นว่าจะดิดจดิดของเราเนี่ยมันมักมักเผลอไปทางไหนนอบางคนก็เผลอไปทางโทสะจะดิดนะ ชอบหงุดหงิดชอบไม่พอใจนะนะชอบโกแต่วันนั้นนะบางคนก็เผลอไปทางราคะจดิตนะก็ชอบนั่นชอบนี่ไปเรื่อยนะบางคนก็โมหะจดิตนะก็หลงฟุ้งไปเรื่อยนะมันก็ไม่เหมือนกันนะแต่เราก็จะเห็นสิ่งที่มันเป็นตะกอนนอนเนื่องในใจ มาเนิ่นนานแล้วเราไม่รู้ทันเนี่ยมันก็หมักหมมเนาะแต่ถ้าเราเห็นเนี่ยโอ้มันจะสนุกนะมันจะรู้ทันนะรู้ทันจดดิษฐ์ใส่ที่มันมักหลงมักเผลอออกไปนะแต่บางอย่างก็ไม่ทันจะเรียกชื่อว่าเป็นอะไรนะก็แค่เป็นอาการแบบแค่รู้ว่าไหลแค่รู้ว่าไหลไม่ทันจะรู้ว่าสมมติมันคืออะไรอยู่เนี่ยก็ก็ได้เหมือนกันนะก็ดียิ่งดีเลยนะ เนี่ยเราก็เนอะเราก็ใช้เวลาเนี่ยในการเดินเนี่ยก็เป็นการภาวนานะในการนั่งก็เป็นการภาวนานในการกินในการทํากิจกรรมต่างๆเนี่ยก็ให้เราอยู่กับตัวเราเองเยอะๆนะเห็นกายเขาทํานะเห็นใจ มันเป็นอาการอย่างไรเนะี่ยก็แค่รู้เฉยๆนะมันจะสนุกมากเลยนะถ้าเรามาทุดงแบบเนี้ยเราเราอยู่กับตัวเองเห็นตัวเองเนะี่ยมันจะเหมือนโลกทั้งใบไงนะเหมือนมีเราอยู่คนเดียวนะมันคล้ายๆแบบนะั้นแต่จริงกม็มันก็ไม่ใช่หรอกนะเราก็ยังอยู่กับเพื่อนนะแต่มันเหมือนคล้ายๆเราก็จะดูตัวเองเป็นดักนะ คนอื่นเขาจะเป็นอย่างไรก็เราก็เห็นเราก็รู้นะแต่เราก็ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรกันมากนะเราก็ดูแค่ตัวเราเป็นหลักนะแต่ดูตัวเราก็ไม่ใช่ว่าไม่สนใจคนอื่นนะนะคำว่าดูตัวเราก็คือว่าเรากลับมาโฟกัสที่การรู้เท่าทันสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะในกายในใจของเราเองโดยเฉพาะในใจนะนะ เห็นคนอื่นแล้วกระทบอะไรในใจของเราเราก็รู้ทันแบบนั้นนะมันจะเหมือนเราก็จะอยู่ในการดูแบบนี้เรื่อยไปนะแต่สิ่งอื่นเราก็เห็นนั่นแหละนะเราก็เห็นเราก็เกี่ยวข้องตามที่ที่จำเป็นนะตามที่สมควรก็พอแบบนี้นนะมันก็จะเป็นการมันก็จะเป็นการเหมือนมันก็จะเป็นการเสริมนะให้เกิดความสงบนะ เกิดความสงบภายในจิตในใจนะเพราะว่าที่จริงอย่างแต่ก่อนครูบาอาจารย์เนาะเวลาท่านทูดงนะบางทีท่านก็ไปรูปเดียวไปสองรูปไปสามรูปเพราะอะไรไปไม่เยอะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องวุ่นวายในการเกี่ยวข้องในการและกันมากนะจิตมันก็จะเกิดความสงบนะเกิดสมาธนะิเกิดสติได้ดีกว่านะ การที่ไปเป็นหมู่คณะเยอะๆนะแต่เราเองก็อาจจะมากันเยอะหน่อยแต่ก็อาศัยว่ามากันเยอะก็จริงนะแต่ก็ต้องรู้จักหาความสงบให้กับตัวตัวเองเนาะรู้จักปีกรู้จักพักนะรู้จักนะในการอยู่กับตัวเองให้ได้นะนี่คือมันจะเกิดประโยชน์มากในการภาวนาแล้วก็ มันก็จะเกิดประโยชน์ต่อเพื่อนหมู่คณะของเราด้วยเนาะนล้วก็ก็ฝากไว้